แต่กับพ่อแม่ตัวเองแตะคอกใส่ไม่เคยสนใจให้หากินเองแต่กับพระจะเฟ้นหาของดีๆสุดยอดไปถวายให้ได้มองพ่อแม่ให้เหมือนพระองค์หนึ่งที่ห่มเหลืองนะครับแล้วกระทำทุกอย่างกับท่านเหมือนเวลาเจอพระนั่นแหละมหาอภิโขสมงคลสูงสุดระดับแรกที่ทุกคนควรใส่ใจและควรควายทำกันก่อนนะครับ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 หมายเหตุความรู้ต่างๆในทุกๆที่และในซีดีทุกแผ่นที่ผมนำมาแสดงนั้นนะครับเป็นความรู้ที่ผมศึกษาและจดจำนำมาเล่าต่อในภาษาส่วนตัวหาใช่ความรู้ที่เกิดจากใจของผมนะครับเป็นความรู้จากการอ่านพระไตรปิฎกและตำราต่างๆและจากครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชกุนดังตรินอาจารย์พรประทนสุวรรณและอีกลหลายๆท่านนะครับ กุศลใดเกิดจากสิ่งที่ผมเผยแพร่ออกไปขอถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทุกๆท่านแต่หากมีความผิดพลาดบกพร่องใดๆจากความคิดเห็นของผมที่แทรกเข้าไปจะด้วยความไม่รู้หรือไม่ตั้งใจก็ตามต้องขอกราบขออโหสิกรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเวนี่นี้ด้วยนะครับขอถวายชีวิตและดวงจิตนี้ทางานรับใช้พระพุทธศาสนา ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจในชาตินี้และจะทาต่อไปในเบื้องหน้าจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานสพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจเจริญในธรรมครับโจโฉตุลาคมพุทธศักราช2553 วนาบูชาพระมหาบัวแหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เหนือนานจะเป็นบัวงามเดินตามพระมหาบัวจะเป็นบัวน้อยตามรอยพร